ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ส4สบเรื่องขันหพูดไปแล้วในสองข้อแรกก็รูป ก, กเวทนาเวทนานี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างนะก็พูดเป็นภาษาไทยไว้อย่างมันได้ ตั้งเป็นข้อให้ชัดเจนเวท น, นาความรู้สึกก็มีสมอย่างคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกเป็นภาษาบาลีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ว่าอัตุกขมสุขะหรืออัตุขขมสุขซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าอุเบกขานะีก็คือเฉยๆความรู้สึกเฉยๆเป็นอัตุกขมสุขหรืออุเบกขา อันนี้บางครั้งก็แยกเป็น5อันนี้เรียกว่าแยกเป็นสมสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆนี่แยกเป็นหก็คือว่าแยกเป็นสุขทางกายกับทางใจและก็ทุกข์ทางกายทางใจถ้าอย่างนี้ก็เป็นสุขนะซึ่งหมายถึงสุขกายแลวก็ทุกข์หมายถึงทุกข์กายแล้วก็โสมนัสในหมายถึงสุขใจและก็โทมนัสเนะ่ยเสียใจก็คือทุกข์ทางใจ แล้วก็อุเบกขาก็เฉยๆนี่นะนี่แบ่งห้าแบ่งสามก็ได้แบ่งห้าก็ได้แต่ทั่วไปก็จะพูดสามเพราะมันครอบคลุมดีแล้วก็พูดง่ายไป ต, ตักเสียเวลาสุกกายสุกใจก็เป็นสุขทุกกายหรือทุกใจก็ทุกนี่คาว่าอุเบกขาที่แปลว่าเฉยๆเนี่ยเป็นคาที่ต้องระวังนิดหน่อยอุเบกขาใน หมวดนี้มันเป็นเวทนาก็คือเป็นเพียงความรู้สึกความรู้สึกที่เฉยๆเป็นของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะความรู้สึกนี่ไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆนี่สำหรับคนทั่วไปนี่มักจะมากะโมหะนะคือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันจะเป็น ค้ายๆคนซึมๆเรื่อยๆเฉยๆอันนั้นก็มันไปกันได้ดีกับความมีโมหะแต่ว่าอุเบกขาอย่างหนึ่งก็คืออุเบกขาที่เป็นสังขารอยู่ในคนลหมวดอยู่ในหมวดที่จะพูดต่อไปข้างหน้าอุเบกขานั้นเป็นกุศลธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นอาการของจิต ที่เป็นกลางๆเรียบเรียกว่าทุกอย่างลงตัวเข้าที่พอดีหมดเช่นอุเบกขาในโพชงเป็นต้นโอเอุเบกขาอย่างนั้นมีสับเรียกในอภิธรรมว่าตัตตรมัชตาตาแปลว่าความเป็นกลางในธรรมนั้นๆเป็นภาวะจิตที่เป็นกลางอย่างที่ว่า คนที่มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งต่างนะจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยเป็นไปได้ ด, ดีแต่ทีนี้ในเมื่อเขาจัดการทำอะไรทุกอย่างมันลงตัวดีแล้วเนี่ยเขาก็มองเห็นนะการที่สิ่งทั้งหลายมันเข้าที่มันลงตัวอะไรทั้าอะไรเขามาเรียบร้อยมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยไอ้่าไม่ต้องไปขนขวายอาการที่จิต ได้ความรู้ว่าทุกอย่างลงตัวเข้าที่ดีแล้วก็เรียบมีดุญยภาพลงตัวหมดสภาพจิตอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขานะก็เป็นภาวะที่คล้ายๆว่าเฉยๆนั่นแหละนะี่ยจะเฉยแบบรู้เพราะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยทีในี้สำหรับอุเบกขาเวทนาเป็นศักต์ว่ความรู้สึกแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ ก็เฉยๆนะ่ันน่าต้องแยกกันให้ได้อย่างที่ว่าสําหรับกุตุชนนี่อุเบกขาตามปกติก็จะมาด้วยกันไปกันได้ดีกับโมหะส่วนพระอริยบุคคลอย่างพระอรหันต์ก็จะมีอุเบกขาที่เป็นภาวะจิตที่ว่าด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจตรงข้ามเลยนะแต่นี้อุเบกขาที่เป็นเวทนาความรู้สึกเฉยๆเนี่ย ท่านบอกว่าถ้าจะจัดเข้าเนี่ยมันจะเข้าทางฝ่ายสุขนคือมันมีสุขทุกข์เฉยๆหรือไม่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาแต่ว่าความจริงเฉยๆเนี่ยมันอยู่ข้างสุขเป็นสุขอ่อนๆมันเพลินๆไงคนที่มีอุเบกขาแบบเวทนาก็จะรู้สึกเพลินๆอาการเพลินๆมันก็เป็นลักษณะของจิตที่มีสุขเหมือนกันแต่เป็นสุขอ่อนๆเรื่อยๆเพลินๆไปก็เลยไม่ต้อง ไม่ต้องดินน้นรนเพราะถ้าทุกข์มันต้องดิน้นใช่ไหมทุกข์มันถูกบีบคั้นนี่อันนี้อุเบกขามันก็ไม่ถูกบีบคั้นอะไรมันก็สบายสบายเพราะฉะนั้นอยู่ข้างสุขแต่มันก็เป็นสุขเพลินเพลนเฉยเฉยเฉยเฉยกับเฉยเฉยนีนยยยยยยย้ไปกันได้ดีก็เลยเป็นพวกโมหะก็เป็นอันว่าข้อสําคัญระวังเรื่องอุเบกขาเวทนาซึ่งอยู่ในหมวดเวทนาขันหมวดที่สอง กอุเบกขาอีกตัวหนึ่งนั่นเป็นกุศลธรรมภาวะจิตที่เป็นกลางๆลงลงตัวที่อยู่ในสังขารขันละสังขารขันในภาวะจิตอันนั้นก็จะมีเช่นอุเบกขาต่อคนต่อสัตว์อุเบกขาต่อธรรมอุเบกขาก็แยกไปได้อีกเยอะเลยเน่ยอุเบกขาต่อคนก็หมายความว่า รู้เข้าใจว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรให้เป็นไปโดยธรรมระว่างใจเป็นกลาง <Yeah. S 1> จิตเรียบดิ่งสงบก็ปบปขาต่อเหตุการณ์เช่นว่ามีเรื่องตื่นเต้นโวยวายแต่ว่าด้วยปัญญารู้เข้าใจคนที่มีปัญญารู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์นั้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเป็นไปยังไงจะจัดการยังไงด้วยความรู้เข้าใจนี้ก็เฉย จิตใจเรียบสงบด้วยปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็เป็นอุบเบกขาในที่นี้เราก็พูดถึงเวทนาอุบเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นเราเพียงจะแยกให้ออกว่ามันคนละอย่างก็ขอผ่านไปไปนอนเวทนานี้จัดเป็นสมก็ได้เป็นห้าก็ได้แล้วยังแถบจัดเป็นหก็ได้อีกจัดไป็นหกยังไงจัดเป็นหกก็จัดตามทางที่เกิดก็เป็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตา ท่านเรียกว่าจากักขุสัมผัสสชาเวทนานะเป็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาแล้วก็เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นก็เลยมีเวทนาหกขึ้นมาตามทางที่เกิดนะอันนี้ก็ไม่ยา ก, กอะไรนะเป็นเพียงว่าให้เป็นความรู้ประกอบแล้วก็ผ่านไปขอผ่านหมดเวทนา ไปสู่หมวดที่สสัญญาสัญญาขันสัญญานี้ก็แปลกันว่าจำได้หมายรู้น ะ, ะจำเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าความจำนี่เป็นคำกว้างๆในที่นี้กลังเรากำลังพูดถึงองค์ธรรมที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างสัญญาเนี่เอาง่ายๆหมายรู้นะ จำได้ไหมรู้ก็พูดแบบว่าคล่องปากเอาแค่หมายรู้ก็ได้หมายรู้นี่อาจจะทําให้สับสนน้อยกว่าหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมายรู้หมายรู้การที่จะหมายรู้นี่ก็คือว่ามันมีเครื่องหมายนะรู้อาการลักษณะของสิ่งนั้นๆนะตลอดจน สิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายแม้จะชื่อเรียกอะไรต่างๆที่ทําให้เราจําสิ่งนั้นๆได้หรือรู้จักมันว่าเป็นอะไรอย่างว่าหมายรู้ว่าเขียวว่าแดงว่าเหลืองนี่จากที่ตาเห็นว่ารูปร่างกลมแบนยาวสั้นรีแล้วก็เรียกชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจะมีเครื่องกําหนดหมายขึ้นมาอันนั้นสัญญานี่จะใกล้ๆคําว่าสัญญาณนะ สัญญาณก็เป็นเครื่องหมายเครื่องกําหนดหมายให้รู้อันนั้นอันนั้นนะอันนั้นเวลาเขาพูดว่าต้นไม้ปับ๊บนี่มันเป็นคําที่เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้มันก็ทําให้เราหมายรู้เลยว่าอ๋ออันนี้นะนะทีนี้พอเจออันนี้อีกก็ต้นไมนะ้ตอนแรกจะต้องหมายรู้ไว้นะว่าอะไรอันนี้เรียกว่าแอดพเตอร์ อันนี้เรียกว่าเครื่องบันทึกเสียงอันนี้เรียกว่าไมโครโฟนอันนี้ก็เป็นการหมายรู้ชนิดที่เรียกว่าจากบัญญัติของมนุษย์ขึ้นไปซ้อนแล้วแต่ว่าหมายรู้ชั้นแรกๆก็เป็นรายละเอียดนะว่าเขียวแดงเหลืองสั้นยาวกลมแบนเป็นต้นนะนะแล้วยังแถมสำทับเข้าไปเป็นเครื่องหมายรู้ว่ารวมนี้เรียกว่าอะไรใช่ไหม ทีนี้เวลารวมเรียกว่าลายเนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดแหละใช่ไหมต้องหมายรู้รูปร่างมันยังไงลายต่างๆการทําหน้าที่และสิ่งที่เป็นเครื่องหมายที่บอกอาการลักษณะแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ที่หมายรู้ไว้แล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ที่ไหนก็เก็บเป็นความทรงจําทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาก็เลยแปลกันง่ายๆว่าหมายรู้ก็ได้แก่ หมายรู้อาการลักษณะเครื่องหมายเครื่องกําหนดชื่อเรียกอะไรเป็นต้นที่จะให้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะได้เป็นข้อมูลไว้นี่ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลสัญญามันก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เวลาเก็บข้อมูลนี่มนุษย์นี่มีความฉลาดก็อย่างที่ว่าก็มีคําบัญญัติเรียกซะเลยคําบัญญัติเรียกนี้จะสื่อทําให้เรา พอพูดถึงคํานี้ปั๊บนี่อาการลักษณะของสิ่งนั้นนั้นก็ปรากฏแกเราเลยใช่ไหมเพราะไอ้บัญญัตินี้เป็นตัวแทนพอพูดถึงคํานี้เรานึกถึงลักษณะอาการน้ำมันเลยเนยีแล้วก็ด้วยลักษณะอาการเหล่านั้นแหละที่เราจําสิ่งนั้นได้ใช่มนั่นะตอนแรกเนี่ยก็สัญญาก็กําหนดหมาย หมายรู้อันนี้อันนี้สีเขียวสีแดงยาวสั้นกลมแบนถ้าเป็นเสียงก็เสียงดังเสียงเบาเสียงแหลมเสียงทุ่มเนีเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงระกหังนะเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงคลื่นซัดฝังนะอะไรเงี้เสียงนี้เรียกว่าเสียงนกนี้เครื่องหมายลักษณะอาการรายละเอียดของข้อมูลนั้นมันจะปรากฏอยู่ที่มาบัญญัติเรียกอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกเก็บข้อมูลนี้ไว้ สัญญาก็หมายรู้ก็เก็บข้อมูลเรียกเก็บข้อมูลก็กลายเป็นความทรงจําทีนี้ต่อไปจะเรียกใช้ก็ใช้สติมาดึงออกมาสติก็ดึงออกมาดึงอะไรดึงก็ดึงข้อมูลที่สัญญาเก็บไว้เพราะฉะนั้นสัญญานี่ฝ่ายเรียกเก็บสตินี่ฝ่ายเรียกใช้นะใช้สับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ได้นะ ก็อย่างที่ว่าก็เรียกเก็บข้อมูลก็เรียกใช้ข้อมูลเอ๊ะเรียกเก็บนี่ลืมแล้วว่าอะไรนะเรียกเก็บข้อมูลนะฮะสโ ต, สโตมันกลายเป็นที่เก็บไปแล้วตอนเรียกเก็บเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกสับคอมพิวเตอร์เรียกใช้ก็ร r ทรีฟไม่ใช่ไม่ใช่เซฟแล้วก็เก็บเลยฮะนี่เรียกเก็บไม่ใช่เก็บ เรียกเก็บข้อมูลเอใช้สับอะไรนะฮะแล้วก็เวลาใช้ก็เรียกใช้ก็รีทรีฟรีทรีฟขึ้นมานะฮะเซฟมันก็เก็บเลยเอเก็บเรียกเก็บข้อมูลเรียกเก็บเข้ามาไม่ใช่เรียกเก็บข้อมูลแล้วก็เรียกใช้เรียกใช้ก็รีทรีฟ ก็เอาล้เอาภาษาไทยก็พอแล้วนะนะนะเรียกเก็บข้อมูลก็เป็นสัญญาเรียกใช้ก็เป็นสตินี่ไอสติจะมีอะไรมาเรียกใช้ได้หระลึกได้ก็ต้องมีสัญญาหมายรู้เก็บไว้เรียกเก็บเอาไว้ฉะ น, นั้นคําว่าความจําในภาษาไทยเนี่ยเป็นคําที่ยังคลุมเครือสําหรับภาษาบาลีเพราะมันไม่ได้เป็นองค์ธรรมอันหนึ่งมันก็เป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกได้ กระบวนการของความจานี้ตอนเรียกเก็บนี่เป็นสัญญาแล้วก็เรียกใช้ก็เป็นสติในกรณีที่ไม่ต้องเรียกใช้นี่เช่นอย่างว่าเราไม่ต้องไประลึกแต่ว่าเราไปเจอสิ่งนั้นเข้าเลยเราเจอสิ่งนั้นหรือเราไปเจอคนนั้นอย่างคนที่เราเคยเห็นใช่ไหมเราไม่พบมานานพอเรามาเจอปับ๊บเราจาได้ ก า, การจำได้ในกรณีนี้ใช้สัญญานะแต่ถ้าต้องระลึกเนะช่นว่าสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่เราเระลึกถึงคนนั้นขึ้นมานี่เป็นสติระลึกขึ้นมานะเอานะครับเป็นสัญญาที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะเป็นเรื่องของข้อมูลถ้าเราไม่มีข้อมูลเราเอาไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สัญญาจึงเป็นเรื่องใหญ่ เป็นภาคที่ทำให้เรามีข้อมูลที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะก็ตอนที่เนี่ยพอมันเรียกเก็บมาแล้วมันก็เป็นสตอนะเป็นคลังข้อมูลก็อยู่ไว้ทีนี้มีคลังข้อมูลแล้วสติก็จะเรียกมาใช้นี้ถ้ า, าว่าสัญญาตอนที่กําหนดหมายของเราเนี่ยชัดเจนก็จะทำให้จำได้ดีด้วย นั้นสัญญาที่ชัดจะช่วยให้ความจําดีก็คือเราหมายรู้ทําเครื่องหมายมันอย่างชัดเจนใช่ไหมเวลาจะเรียกเก็บข้อมูลอะไรก็กําหนดหมายรายละเอียดให้มากเนี่ยอันนี้ข้อมูลนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีลักษณะยังไงสีเขียวสีแดงสีเหลืองมีลูดลายยังไงไงๆงเนี่ยที่กําหนดหมายชัดได้รายละเอียดนะเหมือนกับ แล้วก็กำหนดไว้ด้วยความที่เอาจริงเอาจังมันก็เหมือนกับขีดลงไปอย่างลึกเลยใช่ไหมเวลาจะเรียกชัยเนี่ยจะได้ผลดีทีนี้ถ้ า, ากว่าสัญญาไม่ดีกําหนดหมายอ่อนสัแต่ว่าเห็นกําหนดหมายนิดเดียวเขียวแดงแล้วก็ผ่านมันก็จะเบาหมดพอเบานี่พอเราลึกขึ้นมาก็ราลึกมาก็าได้ นั่นถ้าบอกว่าถ้าสัญญาชัดเราจะทําให้การระลึกที่สติได้ทํางานได้ผลดียิ่งขึ้นทีนี้ถ้าสัญญามันไม่ได้กําหนดหมายให้ดีเวลาสติระลึกมันก็ระลึกได้เท่าที่สัญญาเรียกเก็บข้อมูลไว้มันก็ไม่สามารถร ะ, ะลึกเกินวันใช่ไหมเหมือนกับเราเห็นอะไรสักอย่างเห็นใบอะไรอย่างเดินผ่านมาก่อนมาศารานี่เห็นใบอะไรตกเรากําหนดหมายว่า แ, แค่ว่าเจอใบไม้ใบหนึ่ง เวลาสติระลึกมันก็ระลึกได้เท่าที่สัญญาเรียกเก็บตอนนั้นไม่ได้รายละเอียดพราสติไม่มีข้อมูลจะระลึกถึงมันจะระลึกเก่งแต่มันไม่มีข้อมูลจะให้ระลึกนี้ถ้าเราระลึกไว้โอไอตัวใบไม้นี่รูปร่างมันยังงไนสีมันอ่อนมันแก่เป็นใบอ่อนใบแก่ในวใบใหญ่ใบเล็กขนาดไหนลวดลายยังไงใช่ไหมกำหนดหมายไว้ชัดอย่างนี้ข้อมูลมันก็ละเอียดมากเวลาสติระลึกก็พลั่งออกมาเยอะแยะเลย แต่ว่าบางทีเอาสัญญาดีสติไม่ดีซะอีกนะแต่หมายความสัญญานี่ยิ่งยิ่งชัดยิ่งเท่าไรก็มีโอกาสให้สติทํางานได้ดีแต่หมายความสติก็ต้องดีด้วยนะนี่เกิดสัญญานี่ดีแต่สติไม่ดีมีข้อมูลให้แต่เสร็จแล้วก็นึกไม่ออกนะหรือว่าสติดีแต่ไอ้สัญญาไม่ดีใช่ไหมเรียกเก็บไม่ดีสติเก่งแระลึกไม่รู้ไม่มีอะไรจะให้ระลึกอีกเนี ก็ต้องประสานกันสัญญาดีด้วยสติดีด้วยอย่างนี้แล้วก็ได้ความเลยนะสตินี้ไปอยู่ในหมวดสังขารนน่นนะคนละหมวดกันนะเอาแล้วครับแปลว่าสัญญานี่ภาคข้อมูลแลเรียกเก็บข้อมูลนะเป็นการกำหนดหมายหมายรู้ทำให้เกิดเป็นความจำาลนะทำให้มีข้อมูลแห่งความจำก็ขอผ่านไปสัญญานี้ก็ สามารถแบ่งได้ตามทางที่เกิดก็เป็นสัญญาทางตาทางหูทางจมูกินทางกายนะีทางใจเนะีเอาแล้วก็ขอผ่านไปนี่ต่อไปอีกหมวดหนึ่งก็หมวดสังขารสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งนะเป็นการปรุงแต่งในใจการปรุงแต่งก็คือว่า เอาละตอนนี้ไอ้สองอันแรกที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอิทธิผลนะก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะมันก็จะมีอิทธิผลว่าเออถ้ามาสุขเราก็ชอบใจนี่พอชอบใจมีปฏิกิริยานี่สังขารเกิดเลยทุกข์ไม่สบายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็เกิดปฏิกิริยาจิต ไม่ชอบใจชังเกลียดนี่แหละความรู้สึกชอบชังพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นหมดที่สามและสังขารนีะนะจิตเกิดการปรุงแต่งแล้วเกิดมีคุณสมบัติมีสภาพซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเป็นดีเป็นร้ายเป็นต้น ไอ้ที่ตัวที่ปรุงแต่งจิตใจเนี่ยทำให้ดีให้ร้ายเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสังขารเริ่มตั้งแต่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแล้วก็คุณสมบัติอื่นอีกเยอะแยะโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือตัวเจตจํานงเจตนาความตั้งใจความตั้งใจนี่เป็นตัวนําในการปรุงแต่งเลยพอเจออันนี้เข้าเนี่ยได้ข้อมูลนี้หรือระลึกถึงข้อมูลนี้มีเจตนา ตั้งใจต่อไอ้เจ้าข้อมูลนี้หรือประสบการณ์นั้นอย่างไรเนี่ยนะตัวคุณสมบัติอื่นๆจะมาช่วยกันมาปรุงแต่งตามเจตนานี้เนะเจตนาก็เป็นตัวนำเลยเพราะฉะนั้นในหมวดนี้บางทีท่านเรียกเจตนาเป็นตัวแทนทั้งหมดเลยนะเจตนาและตัวเจตนานี่ะเป็นตัวกรรมละเนะ เพราะว่าที่เราจะคิดอย่างไรจะพูดอะไรจะทํำยังไงเป็นไปตามเจตนาเ จ, จตจำนงเพราะนั้นเจตานานี้เป็นตัวแทนทั้งหมดสังขารแล้วเป็นชื่อเรียกใช้แทนกรรมได้เลยเพราะนั้นบางพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเจตนาเจตนาหางพิฆเวกรรมมังวัตามิเราเรียกเจตนาว่าเป็นกรรมเนีก็หมายความว่าตัวกรรมก็อยู่ที่เจตานานี่แหล ะ, ะตัวแทๆ้ๆของมัน อันนี้แต่เวลาเราพูดว่ากรรมเนี่ยเราจะรวมทั้งเจตนาพร้อมทั้งไอตัวอื่นที่มาร่วมกันกับเจตนาในการปรุงแต่งสภาพจิตในเวลานั้นๆเี่ยที่ทำให้ออกมาเป็นการคิดการพูดการทำํำคิดพูดทําอย่างไรก็แล้วแต่เจตนานั้นและพร้อมทั้งคุณสมบัติที่มาช่วยปรุงแต่งในในกระบวนการปรุงแต่งคุณสมบัติมันจะมีเยอะซึ่งเราเรียกเรียบเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วหรือเป็นฝ่ายกลางๆ ก, ก็ได้นีน อันนี้เราก็เลยพูดอีกอย่างว่าคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วเรียกว่าสังขานรนะะการรวมแล้วก็คือเครื่องปรุงของจิตนั่นเองเ้าเอาอะไรมาปรุงล่ะนี่แหละตอนที่จะปรุงเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมเออไอข้อมูลตัวนี้เช่นว่านึกถึงข้อมูลเป็นคนก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไอต้นไม้ต้นนี้นะเราก็ จำมันไว้ได้นี่ยสัญญากำหนดหมายมีข้อมูลไว้ให้เราเราก็มีความรู้สึกนึกคิดต่อมันตอนนี้แหละก็ปรุงแต่งล้ปรุงแต่งว่าเราชอบมันหรือไม่ชอบมันจะคิดยังไงจะเอายังไงกับมันซึ่งการที่จะคิดจะชอบไม่ชอบนี่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์จะเป็นตัวอิทธิพลสำคัญใช่ไห ถ้าเป็นไอ้สิ่งนี้เราระลึกขึ้นมาไอ้ข้อมูลอันเนี้ยถ้าเราเจอเราพบเราระลึกถึงปับ๊บมันเกิดความรู้สึกสบายอ่าเราก็จะปรุงแต่งในทางชอบใจถ้าเกิดว่ามันรู้สึกไม่สบายมันทุกขเวทนาเป็นทุกปับ๊บอ่าเราก็จะปรุงแต่งในทางไม่ชอบใจไม่เอาคิดทําลายใช่ไหมดังนั้น ตอนที่จะปรุงแต่งเนี่ยอิทธิพลจึงมาจากเวทนานี้มากแล้วก็ปรุงแต่งเพื่อเวทนาอีก <g iggle> เพื่อหาทางเพ <g iggle> ื่อจะหาทางให้ได้เวทนาที่เป็นสุข <g iggle> ก็เอาข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ตอนนี้ละเรื่องใหญ่เลยใช่เนี่ยเราต้องการจะได้ความสุขสักอย่างหนึ่งแล้วทำไงเราจะได้ความสุขนั้นละ่ะเนี่ยเราก็ต้องมีคิดมีพูดมีทํใช่มมีการแสวงหาการที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องเอาข้อมูลต่างเนี่ยเท่าที่เรา เรียกเก็บไว้ได้ใครมีข้อมูลมากก็ได้เปรียบใช่ไหมนี่ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรุงแต่งนะจนกระทั่งวางออกมาเป็นกระบวนการหรือแผนการในการกระทําเลยนะีว่าจะพูดอย่างไรจะไปทํำยังไงจะไปเคลื่อนไหวไปยังไงไปใช้อะไรใช่ไหมนะนึกถึงมีดถึงขวานถึงปืนอนะไรนี่ข้อมูลเท่านั้นนะ่ะเอามาใช้นะี่ไอ้เจ้าสังขารนี่ปรุงแต่งเพื่อจะให้ แผนการที่จะได้บรรลุเวทนาที่เป็นสุขสำเร็จใช่ไหมแกคิดโอ้มากมายเรื่องใหญ่เป็นแผนการหรือเพื่อจะหลีกเลี่ยงกาจัดไม่ให้มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันก็จะคิดไปกำจัดไปป้องกันก็จะเกิดไอาการที่ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อสนองความต้องการนี้ออกเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้คุณสมบัติที่ปรุงแต่งเนี่ยเยอะแยะหมดเป็นอันวา่าใช้ ข้อมูลในสัญญาที่เก็บไว้แล้วก็อาศัยอิทธิพลจากเวทนาและก็เพื่อจุดหมายในการที่จะได้เวทนาที่ดีและดีกเลี่ยงเวทนาที่ไม่ดีสังขารก็คิดปรุงแต่งไปโดยเจตนาเป็นตัวนำก็ปรุงแต่งกันไปต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าไอ้เจ้าสังขาร น, นี่มันปรุงแต่งฝ่ายดีมันก็จะออกเป็นการกระทำที่ดีที่เกือกเก้อกูลเกื้อหนุนกันถ้าหากว่าเป็นสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายชั่วฝ่ายร้ายเป็นอกุศลมันก็จะเป็นไปในทางที่จะ ทำลายนะกำจัดเบียดเบียนอะไรเป็นต้นตอนนี้ก็เป็นอันว่าสังขารก็เครื่องปรุงแต่งจิตทำให้ดีให้ชั่วซึ่งมีมากมายก็ฝ่ายดีก็เอาฝ่ายร้ายก่อนฝ่ายร้ายก็เช่นโลภความโลภนะโทสะความโกรธความขัดเคืองโมหะความหลงหรือนะ ว, ว่า อิสาความริษยาใช่ไหมอะิริกะความไม่ละอายต่อบาปนะอนุตตปะความไม่เกรงกลัวบาปก็อะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนะฝ่ายอากุศลนะ่ยก็เยอะแยะไปนะนี่เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายร้ายทีนี้สังขารฝ่ายดีก็เยอะเช่นเดียวกันศรนะัทธาภาวะที่จิต มีความผ่องใสต่อสิ่งนั้นๆพอนึกถึงสิ่งนั้นแล้วมีความชื่นชมมีความที่ว่าผ่องใสของจิตใจมีความเรื่มใสหรือว่าสตินี่ความระลึกได้สมาธินีน่การที่จิตตั้งมั่นสงบไม่ถูกกว น, น, นปัญญาความรู้ความเข้าใจปัญญาก็เป็นสังขาร น, นะ ในอย่างปัญญาเนี่ยตัวปรุงสังขารที่สําคัญสีเดียวเพราะว่ายิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งปรุงได้มากเท่านั้นยิ่งใช้ข้อมูลได้ดีแต่ปัญญาก็ต้องอาศัยข้อมูลจากสัญญานี่แหละก็เรื่องของสังขารนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเนะต้อลงว่ามาถึงสังขารนี่ก็เรียกว่าคนเหล่านี้ออกมีบทบาทดําเนินการต่างๆมี มีบทบาทในการทํากรรมหรือดําเนินชีวิตทําให้การต่างๆเป็นไปได้มีแต่ข้อมูลมีแต่เวทนามันก็ยังตันอยู่ใช่ไหมมันจะต้องมาถึงตัวนี้ถึงสังขารก็เกิดการปรุงแต่งแล้วก็เลยใช้ใช้ประโยชน์จากขันยืดยืที่ผ่านมาหมดแต่ที่ทั้งหมดทํางานได้เนี่ยที่เป็นสังขารรวมมาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาและกรรมสังขารเนี่ยที่มันมาออกโรงดําเนิน กิจกรรมทํางานดําเนินชีวิตมีความเป็นไปต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันมีแกนอยู่คือตัววิญญาณเป็นขันสุดท้ายคือตัวรู้นั่นเองธาตุรู้ไอ้ตัวรู้ซึ่งก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งตัวรู้อันนี้ภาวะที่รู้จะเรียกตัวแล้วมันยุ่งแล้วมันจะเป็นอัตตาภาวะที่รู้มันไม่ได้เป็นตัวยืนอยู่หรอกมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับ ถ้าจะพูดให้เป็นสภาวะก็พูดว่าภาวะที่รู้หรืออาการรู้หรือการรู้นั่นเองการรู้นี่ก็ออกมารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจก็รู้รู้ทางตาเราก็เรียกว่าวิญญาณทางตาเรียกว่าจักขรวิญญาณก็ได้แก่การเห็นรู้ทางหู ก็เรียกว่าโสตวิญญาณก็คือได้ยินแล้วก็รู้ทางจมูกก็เรียกว่าคารณวิญญาณคือได้กลิ่นแล้วก็รู้รู้ทางลิ้นเรียกว่าชิมหาวิญญาณก็คือรู้รสแล้วก็รู้ทางกายที่สัมผัสก็เรียกว่ากายวิญญาณก็คือรู้สัมผัสภาษะทางกายต่างๆรู้การกระทบกระทั่งทางกาย แล้วก็มโนวิญญาณรู้ทางใจเนะี่ยรู้สิ่งที่ปรากฏในจิตใจที่สติระลึกมาหรือที่กําลังคิดพิจารณาอะไรต่างๆเหล่นะี้เนียความรู้สึกแม้แต่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึกทุกข์ไอตัววิญญาณนี่ก็รู้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะมันจะเป็นแกนของการรู้ทั้งหมดเหมือนกับว่ามันเป็นตัวยืนน่นะ เป็นตัวยืนในการที่ชีวิตจิตใจของเราจะทำงานได้นะถ้าไม่มีตัวรู้ไม่มีภาวะที่รู้หรือการรู้อันนี้อันอื่นทำงานไม่ได้เลยนะฮะเะนั้นในทุกขณะที่เป็นไปเนะี่ยมีตัวรู้มีภาวะที่รู้อันนี้อยู่สุขก็มีรู้รู้ด้วยมีการรู้ความสุขนั้นทุก ความรู้สึกทุกข์ก็มีรู้ในความรู้สึกทุกข์นั้ น, นเวลาหมายรู้ก็มีความรู้ในการหมายรู้นั้นด้วยคือมีไอตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวยืนทํำให้เวทนาสัญญาสังขาร น, นี่มีบทบาททํางานได้ในส่วนรูปธปรรมก็ต้องอาศัยถ้าหากว่าไม่มีรูปธรรมไอตัวการรับรู้ต่างๆก็เป็นไปไม่ได้รูปธปรรมก็เช่นตาไม่มีตาที่จะไป เกิดเวทนาอะไรเงี้ยทางเวทนาทางตาก็หายเป็นทงกชุดเนะี่ยขาดหูซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมเวทนาทางหูสัญญาทางหูหมดเลยใช่อันนั้นก็ต้องอาศัยรู ป, ปรธรรมแต่ว่าตัวทางด้านจิตฝ่ายนามธรรมก็มีวิญญาณนี้เป็นตัวยืนให้นะก็จัดวิญญาณตัวความรู้การรู้นี่เป็นขันหนึ่ง ซึ่งเป็นขันที่สาคัญอย่าทั้งหมดนี้ก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาขันห้านี่ก็ตกอยู่ในภาวะที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติก็คือเป็นอนิจจังทุกขังและตาเป็นการเกิดดับตลอดเวลาไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนีย อันนี้มนุษย์ก็มายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนความจริงมันเป็นภาวะตามกฎธรรมชาติเท่านั้นเลยเช่นอย่างรูปธรรมเนี่ยร่างกายของเราเราก็มีการยึดถือว่านี่ตัวฉันนี่มือของฉันนี่นิ้วของฉันอ้าวอาการที่ว่าเป็นของฉันนี่มันจะไปโยงกับความเข้าใจว่าอ๋อก็มันของฉันฉันก็บังคับบัญชาได้สั่งมันได้ เอานิ้วนี้ของฉันนี่นิ้วใช้ก็ดิกก็ได้เออมือนี้ของ ฉ, ฉันฉันจะจีบอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากความเป็นไปตามเหตุปัจจัยขององค์ธรรมเหล่านั้นของสิ่งเหล่านั้นหรือภาวะเหล่านั้นนะแล้วเรามายุดซ่อนเข้าไปความจริงนั้นมันทํางานนั้นไปตามเหตุปัจจัยของมันมือ ที่เราบอกว่าฉันเป็นผู้สั่งมือของฉันฉันจะหยิบฉันก็หยิบได้ที่จริงมันก็เป็นกระบวนการทํางานซึ่งซับซ้อนมากใช่ไหมเป็นการทํางานของสังขารที่ปรุงแต่งมีตัววิญญาณความรู้มีสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี่ใช่ว่าชอบใจสิ่งนี้จะเอานะใช่ไหมอ่าแล้วก็สั่ง ระบบประสาทในร่างกายก็ทำงานนร่างกายนี้จะทำงานให้เกิดผลนั่นได้มีประสาทมีเลือดมีกล้ามเนื้อเป็นต้นก็ทำให้มือนี้ทำงานแต่ถ้าเหตุปัจจัยในกระบวนการนี้ขาดไปเช่นว่าเส้นประสาทเสีย เ, เรียกว่าศูนย์กลาง วญชาการในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือหยิบเสียไปก็ไปอ่านว่าบอกมือของฉันฉันสั่งให้มันหยิบทํำไมมันมาหยิบใช่ไหมมันไม่มีเหตุปัจจัยมันเสียไปในกระบวนการระบบของมันนี่เส้นประสาทนั้นเสียก็ไปอ่านว่าจะบอกว่ามือของฉันยังไงไงมันก็ไม่หยิบแหละใช่ไหมมันทำงานไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ของเราจริงนี่ ถ้าเป็นของเราจริงแล้วก็บงังคับไปได้ตามชอบใจเนี่ยภาวะที่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือต้องมองว่าเหตุปัจจัยมันเป็นไปยังไงแล้วแก้ไขไปตามเหตุปัจจัยอย่ามัวมาบอกมือของฉันมือของฉันแล้วก็เอาแต่ปรารถนาคือตัณหานี่ต้องร้องไห้เปล่าๆไม่ได้ผลถ้ามือมันไม่ทํางานก็ต้องสืบสาวเหตุปัจจัยเองมันสิเป็นเพราะกล้ามเนื้อ หรือเป็นพรสเส้นประสาทหรือไงเราแก้ได้ไหมแก้ไปตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ั้ยอันนี้เรียกว่าทำได้ปัญญาถ้าเอาแต่ตันหาก็บอกของฉันของฉันก็ไม่ทำอะไรก็ได้แต่ทุกไปนะเอาแล้วครับนี่ก็ตกลงว่าขันห้านะก็พูดไปแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีสิ่งทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะที่ตัวมนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยเป็นวิวัฒนาการสูงสุด ของธรรมชาติและมีเหมือนกับครบทุกอย่างก็เราก็มาดูที่ตัวคนนะมันมีอะไรบ้างก็มี1 น, นะแยกแยกสิ่งเหล่านี้ให้ง่ายๆเพื่อสะดวกในการศึกษาและมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตก็แยกเป็น5หมวดเรียวกว่าขัน5ก็มี1รูปปรูปขันนะหมวดรูปก็ได้แก่พวกรู ป, ปรธรรมที่มาเป็นร่างกายของเรานะซึ่งจะแยกแบบสมัยใหม่สมัยเก่าก็ตามเช่นเป็นท่าสเป็นต้นพร้อมทั้ง อาการคุณสมบัติอะไรต่างๆของมันเนี่ยที่มาเป็นร่างกายอวัยวะต่างๆและโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจกายแล้วกายนใจนี่ไปเป็นฝ่ายนยามอันนี้สองก็หมดเวทนาเวทนาขันก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เราไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆแล้วก็สามสัญญาขันก็หมด ความหมายรู้นะซึ่งเป็นฝ่ายเรียกเก็บข้อมูลทำใหเ้เรามีข้อมูลที่จะใช้ให้มีความจำแล้วก็ต่อไปก็สังขารละขันก็คือหมวดของการปรุงแต่งหรือว่าสภาพหรือคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วนะมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแล้วก็ 5. วิญญาณขันหมวดวิญญาณคือความรู้ หรืจะเรียกว่าการรับรู้ก็แล้วแต่การรู้ก็ได้แก่เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นนะซึ่งเป็นความรู้ที่ยืนตัวทําให้องค์ประกอบส่วนอื่นนั้นทํางานไปได้อันนี้ก็ขันห้าก็จบโดยย่อแล้วเราก็มายกตัวอย่างกันเช่นว่าอา้าวอย่างผมพูดนี่ก็ได้ยินพอได้ยินกันเนี่ยนะปั๊บนี่ได้ยินเนี้ยจะมีขันห้าทำงานหมดเลย เอาเสียงผมก็อาจจะพูดลำบากเอาเสียงอะไรดีเอาเสียงเอาเสียงแมวร้องสมมติว่าอย่างนั้นเอาเสียงแมวร้องเอาเสียงแมวรอ้องเสียงก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมหูที่รับเสียงนี้ที่เสียงมากระทบเป็นโสตประสาทเป็นประสาทหูก็เป็นรูปธรรม นี่รูปและในขันห้าก็เป็นรูปธรรมการ น, นี้การได้ยินการได้ยินเนี่ยคือการรู้รู้ต่อเสียงนั้นก็เป็นวิญญาณนะวิญญาณมาแหละรูปกับวิญญาณนะมีการรู้คือได้ยินเป็นวิญญาณทีนี้หมายรู้ว่าเป็นเสียงแมวหมายรู้ว่าเป็นเสียงแมวนี่เป็นอะไรเป็น สัญญานะ่ะสัญญาขันแหละแล้วเกิดความรู้สึกสบายหูไม่สบายหูนะ่ะเสียงแมวตัวนี้สบายหูดีแต่บางท่านหรือกําลังเรากําลังต้องการความสงบไม่สบายหูแล้วใช่ไหมนี่ก็คือว่าสุขรู้ทุกเวทนาขันใช่ไหมนี้ถ้ารู้สึกสบายหูนะ่ะเราก็ชอบใจ หรือว่าเสียงแมวนี้แม้มันน่ารำคาญจริงรู้สึกไม่สบายเป็นทุกขเวทนาก็จะเกิดปฏิกิริยาคือไม่ชอบใจเครื่องขัดใจชอบใจไม่ชอบใจตัวนี้ก็เป็นสังขารรำคาญสังขารนะอันนี้จากชอบใจไม่ชอบใจเป็นปฏิกิริยานีนจิตปรุงแต่งแหลนะนมีคุณสมบัติเกิดขึ้นดีร้ายแล้วก็จะคิดยังไงต่อไป ก็จะเป็นเรื่องสังขารเพราะฉะนั้นบทบาทสังขารนี่เยอะแต่สังขารก็จะใช้ข้อมูลจากสัญญาและก็ใช้อิทธิพลของเวทนาและเพื่อเวทนาใช่ไหมและโดยมีวิญญาณนี่เป็นตัวยืนตลอดเวลานในการที่ปรุงแต่งคิดแต่ละขั้นตอนนั้นมีการรู้ตลอดเวลาวิญญาณเป็นตัวรู้นี่เพราะฉะนั้น ในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการทํางานของขันห้าอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นริ้มรสมันไม่ใช่อยู่แค่เห็นได้ยินหรอกมันมีอะไรแต่อะไรอยู่ในนั้นอีกหมดทั้งกระบวนเลยก็คิดว่าเรื่องขันห้านี่พอสมควรแล้วนะฮะคิดว่าคงจะพอเข้าใจท่านใดมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะสงสัยว่าตัวเวทนาเ่ย อ้าเป็นตัญญาอ๋อถ้ากําหนดว่าร้อนว่าหนาวนี่เป็นสัญญาก็ความรู้รู้สัมผัสมันก็เป็นวิญญาณแหละเป็นวิญญาณญคือไอ้วิญญาณน่ะเป็นเป็นฐานเป็นตัวยืนอยู่แล้วแหละก็ ร, รู้คือว่ารู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เป็นเวทนาใช่ว่าเราจึงเรียกการรู้ทางตาว่าการเห็นเพียงเห็นเนี่ยก็ ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หมายรู้อะไรทั้งสิ้นแต่พอ ร, รู้ว่าห น, นาวนี่กําหนดแหละใช่ไหมสัญญาทาํญญ า, ท ง, า, ญญาทงานแหละเนี่ยเวทนาก็รู้สึกด้วยสิสบายไม่สบายใช่ไหมสบายไม่สบายก็เป็นเวทนามาด้วยกันเสร็จมาดีเดียวเลยมันมาพลับเลยเนี่ย <lá> ชอบหรือไม่ชอบก็ถึงไปเกิดเวทนาในเรื่องของสุขภูมิไม่เวทนาซ้อนตลอดเวลามันทุกอันนี่เป็นปัจจัยกับกันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่พระณาแรกที่รับรู้นี่รู้สึกทันทีเลยบางท่านอาจาว่าผมรู้สึกเวทนาก่อนนะใช่ไหมยังไม่ทันกําหนดหมายเป็นอะไรเด็ซ้ํารู้สึกสบายไม่สบายมาเชียวนีพร้อมกันนั้นก็กําหนดว่าเป็นหนาวเป็นร้อนแต่ว่าจะหนาวหรือร้อนก็ตามไม่สบายไอ้นี่เวทนาใช่ไหม แล้ไม่ใช่ว่าต้องหนาวจึงจะไม่สบายร้อนมันก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้สึกไม่สบายก็เวทนาแหละแต่เวทนาที่ไม่สบายนี่ก็อาจจะเป็นร้อนก็ได้อาจจะเป็นหนาวก็ได้ไอ้ร้อนหนาวหรือร้อนนั่นเป็นสัญญาแหละใช่ไหมแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นสังขารแหละเรียกว่าปับ๊บนะได้ความเล ย, อ, ยเอ่อา เอแรกความรู้สึกมันต้องเป็นการเรียนรู้ในความรู้สึก อ, อย่างที่ไม่มีสัญญาเอาไม่สัญญาไอ้นี่เราไปเอาคําบัญญัติไปใส่เพื่อจะให้เราพูดกันได้เท่านั้นเด็กมันก็มีความรู้สึกแยกต่างได้ระหว่างหนาวกับร้อนใช่ไหมมันกําหนดหมายที่ต่างกันไหมไม่มีชื่อเรียกมันมีภาษาที่ไม่ต้องมีคําชื่อเรียกถูกไหมเนะเด็กมันก็รู้จักหนาวเด็กมันก็รู้จักร้อนนะเนะีแต่ว่ามันไม่มีชื่อเรียกใช่ไหม ใช่ไหมแม่มีชื่อเรียกเท่านั้นเอง อ, ะอ่ะนะพอเจาสิ่งมีชีวิตเกิดมาก็ต้องพร้อมต้อมูลบางอย่างที่ติดมาด้วยเออมันมันมีการหมายรู้หมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหมายรู้แต่ทีนี้ว่าไอการหมายรู้นั่นยังไม่ซับซ้อนอเพราะว่าไม่มีข้อมูลเก่ามาช่ว ย, ยอ่าก็รวมความมากันหน้านะฮะเกิดขึ้นพร้อมกันดับขึ้นพร้อมกันทําหน้าที่พร้อมกันหมดถ้าจะไปคิดในเรื่องนี้ว่านีตอนนี้หลังอะไรของคนที่มันทำพร้อมกันหมดเลยไม่ มันไม่รู้จำรูปจำอะไรเพราะมันทำพร้อมกันมันไม่ใช่มันไปกลุ่มแจกตรงนี้กลุ่มนี้ตรี้ตรงนี้แจกนี่นี่เรียกลุ่มแจกเกิดขึ้นพร้อมกันดับขึ้นพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยกันน่าใช่นหมคือท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกนะฮะวิญญาณนะทางอภิธรรมนี่วิญญาณเขาเรียกว่าเป็นจิตทีนี้เวทนาสัญญาสังขารนี่ท่านเรียกว่าเจตสิกนะฮะทีนี้เจตสิกนี่ก็แปลว่าอะไร ก็แปลว่าสภาวะที่ประกอบกับจิตประกอบกับจิตมีการเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับจิตอันนี้พระนั้นไอ้เจ้าเวทนาสัญญาสังขารนี่ถือว่าเกิดดับพร้อมกับจิตไปด้วยกันก็เราเรียกว่ามีวิญญาณมันก็เป็นตัวยืนหรือเป็นตัวแกนให้ถ้าใช้ภาษารูปธรรมแต่ว่า มันต้องระวังเดี๋ยวจะมองเป็นอัตตาไปแต่ว่าพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆน่วั น, วนานที่จะมุ่งนปสุ เ, ส เ, สเป็เว น, น, นวัตถุกรรมานัถุกรรมฐานแล้วตถุกานเป็นด้านหนึ่งของความรู้แต่ว่ามันจะมีทันทีเลยเวลาเรามีประสบการณ์ปั๊บเนี่ยไอความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆก็มีทันทีแล้วการกำหนดหมายว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะมีแล้วก็จะมีปฏิกิริยาพอใจไม่พอใจเป็นต้นใช่ไหมกันนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าพร้อมกับความรู้ที่เรียวกว่าวิญญาณเช่นการเห็นเป็นต้นก็จะมีตัวอาการของจิตเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมจะเรียวกว่าอาการก็ได้เวทนาก็เป็นอาการของจิตด้านหนึ่งด้านที่รู้สึกสบายไม่สบาย สัญญาก็เป็นอาการที่หมายรู้สิ่งนั้นแล้ก็สังขารก็เป็นเรื่องของการที่จิตมีคุณสมบัติที่เป็นดีเป็นร้ายของมันใช่มวิญญาณใช่อาการของจิตก็เป็นตัวรู้วิญญาณก็เป็นเหมือนกับตัวยืนถ้าพูดเป็นภาษาอัตตาก็คือตัวแกนนะเป็นตัวแกนให้เพราะถ้าไม่มีวิญญาณภาวะรู้อันนี้ไอ้เจ้าอันอื่นทำงานไม่ได้เลย นั่นมันมีความรู้อันนี้ยืนตัวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เริ่มรับประสบการณ์เห็นก็มีวิญญาณอันนี้ตลอดแต่นั้นตั้งแต่เห็นไปแล้วมันจะรู้สึกนะึกคิดยังไงไอ้ตัวรู้นี่มันจะยืนพื้นตลอดเลยใช่ไหมไอ้ตัวรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณนักพิจารณาแยกในสัตว์คนตัวตัเราสองนี่มันมีอยู่เลยอ้าวก็นี่แหละก็วิเคราะห์แยกแยะออกไปก็เป็นเพียง สภาวธรรมสภาวธรรมที่มันมีการเกิดดับไปเรื่อยนี่เวลาเราจะเกิดว่าตัวเราขึ้นมาเนี่ยจิตมันต้องปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งก็เอาข้อมูลต่างๆมานะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะไม่ชัดเจนนก็ยึดเป็นภาพรวมๆ ว, ว่าเป็นตัวเราตัวฉันแต่พอจะเอาบอกว่าไอ้ตัวฉันอยู่ที่ไหนบอกไม่ถูกเนี่ยหลวงพูดว่า ที่คุณว่าตัวคุณนะ่ะตัวคุณชอบใจตัวคุณไม่ชอบใจตัวคุณที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจนะั้นมันตัวไหนอยู่ตรงไหนมันก็ชี้ไม่ถูกใช่ไหมไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาตัวร่างกายนี้ก็เป็นรูปขันนะเอาไอตัวความคิดมันก็เป็นสังขารขันนะฮนะเอาความรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นเวทนาขันนะี่ฮะสภาวะธรม สภาวะธรรมที่เป็นกระบวนการคืบเคลื่อนไปไม่หยุดนิ่งก็บางทีฝรั่งก็ใช้คำว่าเป็น flux แล้วก็เราของเราเรียกว่าเป็นสันตติการสืบต่อการต่อเนื่องไป น, นี้เวลาเราหยุดเป็นตัวตวนก็คือสร้างภาพขึ้นมาซ้อนสนภาวะอีกทีหนึ่งเป็นภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง แต่ว่าภาพนี้พอเอาเข้าจริงก็เลือนลางมารู้อยู่ทิ่งไหนนะเหมือนอย่างกับคนที่อยู่ได้ตันหาปั๊บนี่อัตตาจะเด่นขึ้นมาทันทีใช่ไหมเพราะว่ามันมีความอยากความปรารถนาก็จะเมือกตัวตนขึ้นมาทันทีแต่พอว่าใช้ปัญญาปั๊บตัวตนหาย ปัญญาก็รู้เป็นเรื่องๆ ร, รู้รายละเอียดรู้เหตุปัจจัยรู้ไปตามความเป็นจริงพรรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตัวตนไปไหนเลยเนี่ยอ่นนอาก็ไม่เป็นไรนี่ภาษาไทยไงภาษาไทยก็สับสน น, นีาจพูด้ชัดอย่างนี้นะวิญญาณตัาูโนาเนี่ยวิญญา ปสาทนั่นเองไม่ใช่สิประสาทก็เป็นรู ป, ปรธรรม <c oughs> คนตายแล้วก็มีเส้นประสาทแต่รับรูไ้ไม่ได้เช่นคนต า, ตาตานี่นะเวลาเราไม่ตายเรามองเอก็มีประสาทตาดีใช่ไหมอ่าพอคนตายแล้วประสาทตาเสียมองไปเ อ, องตามองไม่รู้เลยรูปเช่นเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าคนจะเรียกประสาทไม่ใช่ไม่ใช่ประสาทเป็นรูปธปรรมรูปขรุขระอ่เพราะฉะนั้นวิญญาณมันเป็นนามขันขร ก็วมญาณก็เรีก่าจิวิญาคนจะเป้จากพจิตจิต็นวิญาณจิตไแล้วไปเกิดต<ม>ัวตที่สนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่วิญญาณก็คือการรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยนะจกักรภสาทก็เป็นฝ่ายร่างกายเสียงเอ้ยขอภัยรูปแสงสีก็เป็นรูปธปรรมใช่ไหมมาเจอกันเข้านี่ เกิดการเห็นการเห็นนี่สิเรียกว่าจักรวิญญาณการเห็นคือจักรวิญญาณคือการรู้รู้ทางตาเราเรียกว่าเห็นรู้ทางหูเราเรียกว่าได้ยินการรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยเรียกว่าวิญญาณเป็นนามธรรมนั่นลงมาทำทำห้ามเกิขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันเพรว่าถ้าเจตสิกนั่นเกิดเสขึ้นพร้อมกับจิตไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเรีย้ยครับว่าถ้าทำห้ามเกิดขึ้น พร้อมกันดับพร้อมกันอย่างคือเราถ้าเราจะแยกรูปกับนามนี่ทำไมต้องมีสองขั้นเขามีรูปมีนามถ้าว่าเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันกับดับขึ้นกับจิตนะมันเดียวกันแต่ว่าในขั้นห้านันมัไม่ไม่ใช่เดียวกันเพราะว่าถ้าขั้นเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมันคงเป็นไปไม่ได้พูดไปแล้วก็ชัดอยู่แหละเราจิตเจตสิกเจตสิกก็ประกอบกับจิตเกิดกับพร้อมกับจิตสรุปตอนนี้เราไม่ได้พูดถึง รูปขันนั้นเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยในการเกิดดับในการเป็นไปของนามขันนี้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่รูปกับนามเนี่ยมันเกิดดับไวไม่เท่ากันอยู่แล้วรูปขันรูปธรรมนี่การเกิดดับช้ากว่าด้านจิตดับเกิดดับช้ากว่ากันมากนจิตนี่เกิดดับไวกว่ามากน จะพูดในเชิงองการรู้กับอาการรู้นี่มันเหมือนกันมันจะถูกต้องที่ว่ามันพูดยากศัพท์มันเป็นเพียงให้เรื่องของการที่หาทางกาทําความเข้าใจตัวสภาวะใช่ไหมอนั้นถ้อยคำนี่บางทีก็บางทีต้องใช้หลายๆคําเพื่อจะมาสื่อความหมายอันเดียวอย่างการรู้หลงหมายหมายจำเพาะว่าเป็นวิญญาณอาการรู้หมายเพราว่าเป็นการประกอบเป็นของเรื่องสัญญาสำคัญโอ้อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็สับสนอีกอะ คำว่ า, าอาการรู้มันไม่ชัดอยู่ในตัวแล้วนะ <S <S <S <S ใช่ไหมถำว่ า, าอาการรู้มันไม่ไม่ชัดว่าอะไรดังนั้นพยายามคือศัพท์ต่างๆนี้จะเป็นศัพท์ที่ว่าหนึ่งสับที่พยายามให้เป็นตัวกําหนดสภาวะสองสั์ประเภทที่พยายามใช้เพื่อช่วยขยายความอธิบายเพื่อสร้างความชัดเจนแต่ว่าศัพ์ บ, บางศัพท์จะมีความคลุมเครือในตัว ใช้ได้เป็นเพียงคำประกอบในเวลาที่บายถ้าไปใช้เป็นตั ว, วตัวเครื่องหมายแทนสภาวะนีใช้แล้วยุ่งเลย น, นั้นลำบากเพราะฉะนั้นก็ขับพยายามที่จะใช้สับที่รู้ร่วมกันอย่างที่ว่าอา้าวเช่นว่าอาวิญญาณนะการรู้เช่นการเห็นการได้ยินอย่างงี้ยน ะ, นะและจะอธิบายไปว่า มีอาการรู้มีอะไรต่างๆก็ว่าไปเนะเพราะว่าคำว่าอาการบางทีก็คล้ายๆกับคำว่าลักษณะเดี๋ยวก็จะเป็นมีปัญหา อ, อาวิญญาณก็มีลักษณะรู้อ้าว <c oughs> ก็มีอาการรู้อีกแหละคัดยุ่งสิใช่ไหมเนะ่อาการไม่แน่ อันนี้แหละกลับกันตลอดไม่ให้หมายความเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันใช่นี่เช่นยกตัวอย่างเสียงแมวเมื่อกี้เนี่ยนะฮนะไอสัญญาและสังขารเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยกัะเวทานานะนนแมวตัวนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เห็นตัวมันร้องขึ้นมาแมวขึ้นมานี่นะะเราอยู่ในอาการสภาพภาวะจิตจอย่างไร นะคนหนึ่งต้องการความสงบเงียบกำลังตั้งใจจะฟังแม้มันขัดหูจังเลยใช่ไหมใช่มันรู้สึกไม่สบายแล้วก็ขัดหูปรุงแต่งสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยกับสังขารเองด้วยนะแล้วอ้าวทีนี้ในกรณีที่เป็นแมวที่เห็นมาก่อนนะ่สี่องค์ห้าองค์นี่ไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเกิด รู้เลยว่าไอ้เจ้าแมวตัวนี้ร้องอย่างนี้และชอบรักมันนะรักมันนี่มีสังขารเก่าใช่ไหมปรุงแต่งจิตไวนะพอได้ยินเสียงแมวตัวนี้เวทนาเกิดเป็นสุขเลยนะแมวคือมันต่างๆที่มันร้องดังอ่ะถ้าเป็นแมวตัวอื่นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักจำไม่ได้พอได้ยินปั๊บนี่ขัดหูเลยไม่สบายเวทนาเป็นทุกข์ แล้วก็ปรุงแต่งสังขารยิ่งไม่ชอบใจใหญ่แต่สังขารที่ปรุงแต่งจิตไว้เดิมนี่ชอบรักแมวตัวนี้มากรักแมวตัวนี้มากไอ้สัญญากำหนดหมายไว้แทนแมวตัวนี้ใช่ไหมพอได้ยินเสียงปั๊บมันจาได้เลยว่าเสียงแมวตัวนี้ใช่ไหมสัญญานี่ข้อมูลเก่าแล้วสังขารปรุงแต่งไว้รักเกิดเวทนาใหม่ขึ้นมาตอนนี้สุขเลย ถูกไหมเออนี่เพราะฉะนั้นสัญญาสังขารกลับมาเป็นปัจจัยกับเวทนาใช่อาแต่เวทนานี่แหละเป็นปัจจัยกับสังขารอีกพระเวทนาเป็นสุขก็ชอบใจอีกใช่ไหะนั้นก็ซ้อนซ้อน ซ, อ น, ซอนกันไปเนี่ยเ น, นแล้วต่อมาสัญญาก็เก็บข้อมูลอีกเช่นว่าเราเกิดชอบสัตว์พันุ์เนี้ยประเภทนี้ทั้งหมดน กำหนดหมายไว้พอกําหนดหมายสัญญาอย่างนี้ปั๊บนะต่อมาพอได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยสังขารจะปรุงแต่งเป็นชอบอชอบใจแต่การที่เกิดไอ้สังขารชอบใจซึ่งเนื่องมาจากเวทันไอ้ซึ่งจากสัญญาแล้วก็ไปผนวกเวทนาสุขเลยนะเนี่ยตอนแรกมันมาอย่างไรละมันมาจากการปรุงแต่งก่อนมาจากสังขารก่อนอีก สังขารก็ปร่งแต่งมาอย่างนี้สัญญาก็กําหนดหมายไว้ว่าถ้าอย่างนี้ลรเอานะเพราะงั้นนะเราสัญญากําหนดว่าอย่างนี้ก็เอาก็ได้ทั้งพวกเลยถ้าเจออย่างนี้ได้ยินอย่างนี้อีกชอบทันทีนะเป็นปัจจัยกันกตลอดนะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นมะันจึงมีความซับซ้อนอยู่ในตัวแต่ว่ารวมแล้วก็คือกระบวนการทํางานขององค์ประกอบเหล่าเนี่ยนะ เพระาะว่ายิ่งมันซับซ้อนขึ้นมาก็เป็นชีวิตของเราที่ออกมาสู่บทบาทในการเป็นอยู่ในการที่ก้าวไปทากิจในสังคมในการอยู่ร่วมและทาการต่างๆใช่ซึ่งมาจากการทำงานขององค์ธรรมเหล่าน้น ก็เจตนาก็เป็นตัวที่สําคัญเพราะว่าเป็นตัวที่เราปรุงแต่งได้นี่ก็คือเป็นตัวกรรมเราะนั้นเราทําได้ก็ตัวเนี้ยเจตนาเนี้ยที่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นผู้ทำเองก็เราถึงเรียกว่าเราเป็นเจ้าของกรรมไงก็เราเป็นเจ้าของเจตนานี้เราก็ตั้งใจอย่างไรเนี่าเราก็ตั้งใจไปในทางที่ดีซะตั้งใจให้เป็นกุศลใช่ไหม นีพอตั้งใจเป็นกุศลก็ในกระบวนการของสังขารมันก็มีตัวดีที่สำคัญก็สตินี่ไงสติก็อยู่ในเนี้ยเป็นเครื่องปรุงของจิตสติก็มาคอยระลึกไว้ว่าเอาอย่างนี้นะนะระลึกไว้เลยนะว่าคอยคอยมากากับคอยมากากับให้ให้จิตมีความตั้งใจในทางที่ดีที่ดีที่ดีที่ดีดนะ มันก็จะปรุงแต่งจิตจนกระทั่งว่าเคยชินในแนวทางของความดีงามกุศลก็สั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นความโน้มเอียงที่จะเป็นอย่างนั้นนะความโน้มเอียงนี้มันก็จะออกจากจิตมาสู่พฤติกรรมกายวาจามันก็สอดคล้องกันไปเลยจะเกิดเป็นบุคลิกลักษณะแต่ความโน้มเอียงในจิตใจก็ออกมาเป็นบุคลิ ก, กภาพ เราออกจากบุคลิกภาพก็เป็นวิธีชีวิตนะฮะที่ชาวบ้านหรือว่าคนท้องถิ่นโดยทั่วไปที่เป็นครามพระที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบก็มีความรู้สึกว่าสบายใจก็เรื่ว่าเย็นมันจะเป็นข้อส่วนนี้ด้วยฉะนั้อธิบายในลักษณะของว่าพราะานเจตนาที่ดีแล้วเอการแสดงของไม่จะเป็นกายวรรจาริยิกาทางของท่านนี้มันกระทำให้เกิดความสงบแก่ผู้ที่เป็นครามว่ายก็ ก็คือจากคูวิญญาณของเขาโสตะวิญญาณของเขาใช่ไหมมันก็รับรู้สิ่งที่ดีงามนะซึ่งก็จะมีผลต่อจิตของเขาเวทนาความรู้สึกสบายแล้วก็จิตเขาสังขารก็ปรุงแต่งได้ศรัทธาเป็นต้นแล้วก็ความรู้สึกสงบความเย็นความอ่อนโยน มันก็ปรุงแต่งจิตให้เป็นโน้มไปในทางนั้นพอเราเห็นปั๊บให้สังขารเก่าก็พึบมาถึงที่เนี่พอไปเห็นปั๊บอาการอย่างนี้ปั๊บจิตก็มีอาการอย่างเดิมคือว่าสบายสงบสุขมาเลยใช่ไหมเพราะมันสั่งสมอะไรนี่พอสั่งสม บ, บ่อยๆก็ทีนี้จิตตัวเองก็มีความโน้มเองอย่างนั้นเวลามานั่งอยู่คนเดียวก็โน้มไปในทางที่จะสงบผ่อนคลายเย็นใช่ไหม ก็อาศัยพระรูปนั้นน่ะเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งจิตของตัวเองจนกระทั่งว่ากลายเป็นสภาพจิตประจําไปเลยนี่ยก็เหมือนอย่งคนไปทําบุญ บ, บ่อยๆทําบุญทําบุญจิตไม่ต้องคิดเรื่องการทําบุญอยู่เื่ลยมาคิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยสั่งสมหมักหมมอยู่ไม่อยาเรียกหมักหมมแล้วเรียกสั่งสมให้สั่งสมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ชิ น, นก็เคยจะใช้คําว่าลงร่องหรืออะไรก็แล้วแต่ จิตมันเคยเข้มขนอยูอย่างนั้นว่าจากคนตรงกันขาวก็คนกลุ้มใจจับแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งมาเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวปับ๊บเอาละสิไอสัญญาที่เก็บไ ว, นว้นี่ยมันสัญขานมันแรงปรุงแต่งไว้ในเรื่องขัดใจอะไรต่างๆมันก็ชอบเก็บสิสัญญาก็เก็บมั่นเก็บชัดเก็บเอาจริงเอาจังเก็บรายละเอียดในเรื่องที่ไม่ชอบใจ สัญญาก็เก็บเบเก็บไว้นี่จิตเคยชินที่จะระลึกใช่ไหมไเจ้าสติก็เป็นระลึกไอ้สัญญาประเภทนี้ขึ้นมาอีกเวลาไม่เวลา ไ, ไปอยู่เงียบๆจิตก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นมีเรื่องตาว่าไม่สบายใจกระทบใจกังวลกลุ้มใจอันนี้พอไปนั่งสงบที่เดียวทีไรมีแต่ไอ้เนี่ขึ้นมาทุกทีเลยจิตมันก็ชินเขาเมือนอย่างนีน้ก็มีแต่ความกลุ้มความกังวลความไม่สบายใจ อันนั้นก็กลายเป็นนิสัยของจิตจะ แ, แก้ไงก็ต้องหาทางสิ่งหยาบมาช่วยก่อนมากระตุน้นใช่ว่าให้ไปเห็นสิ่งดีๆให้ทําบุญบ่อยๆทําความดีเอาการกระทาทางกายเนี่ยให้มันมาบังคับจิตหรือมาโน้มจิตนะีเมื่อไปทําอย่างนี้ทําสิ่งที่ดีจิตมันก็ต้องนึกเรื่องดีเรื่อยทํำบ่อยๆจิตมันเคยเข้าเคยเข้าเคยเข้านีเวนะลาไปนั่งไปอะไรมันก็คอยนึกเรื่องนี้อ้าวเดี๋ยวจะต้องไปทําบุญที่นั่นเดี๋ยวจะไปให้ที่นี่เดี๋ยวจะไป นึกเรื่องนี้นเรื่อยๆพอนึกเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องที่นึกเนี่ยมันโยงไปหาไอ้ความสบายใจความสุขเั่นั้นนั้นมันก็ตามกันมาต่อมามันก็เลยกลายเป็นความเคยชินของจิตที่ว่าจะนึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องที่ดีเรื่องที่จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็ยนสบายเบิกบานนะฮะนั้นการทาบุญ บ, บ่อยๆมันก็กลายเป็นสร้างสภาพจิตที่ดีไปด้วย ก็ใช้ทานมาเป็นจุดเริ่มรต้นเพราะเป็นของหยาบใช่ไหมมาช่วยโน้มจิตไปเปาา่างาปารอย่างการหุนใจทาดีนะครับเพราะว่าตาถรกายในการทาความดีนการหุนใจโด้วคือป็มกุศลในช่วงของการทรก็มีมีมีแต่ว่าก็ต้องตั้งเจตนาและก็เอาปัญญามาพิจารณา เมื่อปัญญามาพิจารณาทําให้ได้ความเข้าใจว่านี่เป็นการฝึกแล้วจิตโน้มไปว่าเป็นการฝึกเปลี่ยนจากฝืนใจไปเป็นเต็มใจนะเพราะฉะนั้นโยนิสมรัติการข้ามาตอนนี้อ่ะเนี่ยคือคือกรณีนี้คื อ, ค อ, คอโยนิสมรัติการโยนิสมนสิการมาบอกว่าโอ้ที่เราได้ทําอย่างนี้นะมันเป็นการฝึกทําให้เราได้พัฒนาตัวเองมันเปลี่ยนแนวคิดของจิต จากการที่มองว่าเป็นการฝืนใจมาเป็นการที่ได้ฝึกมองว่าเป็นการได้พอโยนิโสมนสิการมาเปลี่ยนท่าทีของจิตใหม่ปับ๊บหมดเลยเปลี่ยนไปเป็นสุขเลยใช่ไหมอันนั้นโยนิโสมนสิการจึงสําคัญมากโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวอยู่ในพวกปัญญาใช่ไหมอันนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าวิถีทางที่มันจะ มาช่วยกันเนี่ยมันมีตัวที่เราจะต้องหามามาช่วยมาประกอบมาเสริมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราฉลาดในวิธีมันก็จะทำให้ได้ผลดีใช่ mm hmm. ก็หาตัวช่วยมาเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณีแต่โยนิสมนิการนี่เป็นตัวที่ทำงานได้เรียกว่าได้มากนะแก้สถานการณ์ต่างๆได้มากมาย